เธอรวยมากครับเบีร์และผมก็จนมากเธออยู่ในสังคมอีกชั้นหนึ่งสถานภาพของเรานะแตกต่างกันอย่างกับฟ้ากับดินผมเองนะที่เป็นคนไม่กล้าที่เยอะทะยานผู้แค่นี้คุณคงเข้าใจนะเบีร์ฉันเข้าใจเบีร์รับคำจับหลังมือของเขาบีบเบาๆอย่างให้กำลังใจ ละฉันก็เชื่อมั่นในความรักของเธอผู้นั้นเหมือนคุณด้วยไม่อย่างนั้นเธอคงไม่มาพบคุณจนถึงหนองน้ำแหง้งและใช้ชีวิตร่วมกับคุณตลอดทั้งคืนหรอกขอถามอีกคำนะคุณเคยมีสัมพันธ์ทางเพศกับเธอไหมระพินจากอาการมองอย่างมือลอยขึ้นไปอย่างท้องฟ้าดำมืดผู้ถูกตั้งคำถามเปลี่ยนมาจับประสานตาผู้ถาม นิ่งไปขณะหนึ่งแล้วตอบช้าๆแม้จะแหบแห้งแต่ก็หนักแน่นเด็ดเดี่ยวยิ่งนักไม่เคยครับเบลแน่ใจเหรอระพินแน่ครับลงทบทวนได้ดีทิ่ฉันหมายถึงตลอดระยะทางที่เดินป่าอยู่ด้วยกันอย่างใกล้ชิด แล้วทั้งขณะที่เธอมาอยู่กับคุณที่บ้านพักหนองน้ำแห้งตลอดคืนตามที่บอกไว้ครับไม่ว่าที่ไหนเมื่อไหร่คำตอบก็คือ never ครับแปลกนะพี่ฉันแทบจะไม่เชื่อคุณเลยนะเนี่ยสิทธิในการเชื่อหรือไม่เป็นของคุณครับ แต่ถึงยังไงยังไงผมก็ยังยืนยันอยู่อย่างนี้แหละสีหน้าของหมอเบลแสดงความชง่ ง, งอย่างแท้จริงและคำถามของหลอนก็เป็นไปในรูปแบบเอางานเอาการจริงจังเยี่ยงการสอบประวัติคนไข่มากกว่าที่จะแซะไซในเรื่องส่วนตัวด้วยเจตนาอย่างอื่นถ้างั้นคุณเป็นคนรักเป็นคู่รักกันแบบไหนนี่ แบบไหนผมก็ไม่ทราบนะครับแต่ที่แน่ๆคือไม่ใช่แบบอเมริกันหรือพวกยุโรปเราคนไทยถือมากครับในเรื่องนี้คนไทยคู่อื่นๆเขาจะเป็นยังไงในยุคนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันผมหมายถึงเฉพาะตัวผมเองกับเธอนะครับอิสเบรกกับพริตตาทีมีอาการงุนงงหล่อนประหลาดใจจริงๆเพราะความเป็นต่างชาติต่างภาษา ระพินอาจจะซอกแซกละเอียดนิดหน่อยนะในคําถามข้อนี้เพราะฉันไม่เคยเข้าใจมาก่อนตามปกติแล้วขึ้นชื่อว่าคู่รักมันก็ต้องมีการเกี่ยวพันกันมาก่อนบ้างเป็นเรื่องธรรมดาแต่ส่วนจะทีหรือห่างมากน้อยขนาดไหนนะ่ะมันเป็นอีกเรื่องหนึง่งคุณไม่เคยจูบกอดเธอบ้างเลยเหรอเนี่ยถ้าสัมผัสภ า, ภายนอกก็เคยครับ Without in the cost ครับคุณได้ยินที่ผมพูดไหมเนี่ยว่าผมไม่เคยล่วงเกินเธอมากไปกว่านั้นน่ะทำไมเธอไม่ยอมเหรอพินไม่ใช่ครับคุณต้องรู้ขนบประเพณีทางตะวันออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไทยเนื้อไปกว่านั้นนะครับคุณต้องเข้าใจผมด้วย เพียงครั้งเดียวที่มีการร่วมเพศกับผู้หญิงดีๆสักคนหนึ่งคนไทยถือว่าฝ่ายชายจะเป็นสามีและฝ่ายหญิงจะเป็นพันยาและผมก็ยังไม่แน่ใจว่าผมจะเป็นสามีของเธอได้ครับผมจึงไม่อาจทำอย่างที่คุณว่าน่าจะทำได้น้ำเสียงของเขายังเลื่อนลอยอยู่เช่นนั้นอืมอินเตอร์รีสติง คุณรู้จักหักข้านใจได้ดีมากมีอำนาจจิตสูงเหนือสภาวะทางกายแต่มันบังเอิญไปฝืนกฎของชีววิทยาทางเพศขอถามสั้นๆอีกนิดนะเฉพาะเธอผู้นั้นน่ะเธอเป็นคนหัวโบราณนึือไงเธอเป็นกุลสตรีไทยครับแต่ไม่หัวโบราณหรอก การศึกษาสังคมก็ไม่ได้ดอยไปกว่าพวกคุณอเมริกันทั้งหลายผมแน่ใจว่าไม่ว่าทางฐานะหรือทางสังคมเธอสูงกว่าพวกคุณซะอีกไม่ใช่เฉพาะในเมืองไทยนะครับแต่สังคมทั่วทุกซีกโลกนะครับในฐานะที่เธอเป็นแพทย์ทั้งทางอายุรกรรมและสัล ญ, ญกรรมมือเกียรตินิยม อยากจะทราบว่าเธอทราบบ้างหรือเปล่าว่าคุณต้องอาศัยยาประเภทคลา n s ิลเลเตอร์อยู่ตลอดเวลาเธอไม่ทราบหรอกครับเพราะผมไม่เคยบอกให้เธอทราบนี่รู้ไหมระพินถ้าเธอทราบนะเธอจะสั่งให้คุณระงับยาพวกนั้นทันทีเพราะมันเป็นยาอันตรายแล้วก็เสพติดด้วย นนิคุณกำลังคิดถึงเธอมากแล้วก็เชื่อว่าเธอต้องคิดถึงคุณมากเช่นกันถูกต้องไหมฝ่ายถูกสอบประวัติพยักหน้าคุณคิดว่าเธอจะถึงกับฆ่าตัวตายไหมเธอไม่สิ้นคิดหรือบ้าบัดซบถึงขนาดนั้นหรอกเบล แต่เจ็บปวดแน่นอนแล้วคุณว่าเธอจะตามมาไหมขณะที่ฉันเชื่อว่าตอนนี้เธอน่าจะรู้ข่าวแล้วคิดว่าคงไม่ตามนะครับเธอไม่ได้อยู่คนเดียวยังมีพี่ชายอีกถึงสองคนที่จะคอยให้สติหรือห้ามปรามในสิ่งที่เธอทาไม่ถูกต้องพี่ชายของเธอทั้งสองนะ่ะเข้ากับคุณได้ดีหรือเปล่าล่ะ ก็เข้าใจว่าเข้ากับผมได้นะครับและถ่าน้องสาวของเขาแสดงความประสงค์จะแต่งงานกับคุณคุณว่าพี่ชายทั้งสองเขาจะทักท้วงห้ามปรามหรือขัดขวางไหมคนนั้นผมไม่แน่ใจครับทำไมก็เธอไม่ใช่เด็กไม่ใช่เหรอภินไครวันถอนใจยาว มันเป็นประเพณีไทยอีกชนิดหนึ่งครับเบลที่คุณควรจะรับรู้การมีคู่ของหญิงจะต้องได้รับความเห็นชอบพร้อมใจของญาติฝ่ายตนด้วยรายนี้นะเธอมีพี่ชายสองคนเป็นญาติผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิดที่สุดผมมันแค่คนป่าคนโดยมีชีวิตแคบแคบอยู่กระลิงข้างบางชนีส่วนเธอก็อย่างที่บอกแล้วในชีวิตแต่งงานของคนไทย ผู้ชายจะเป็นผู้นำแต่ผมสิด้อยกว่าเธอทุกอย่างนี่มันก็น่าจะเป็นอุปสรรคที่ญาติผู้ใหญ่ของเธอจะขับข้องก็ได้ครับแต่คุณเองแม้จะอ้างว่าจนแล้วก็หมกตัวอยู่แต่ในป่าถ้าว่าคุณก็มีพื้นฐานของการศึกษาและทางสังคมดีมาพอสมควรไม่ใช่เหรอระพินนั่นก็จริงแล้วครับ แต่มันก็ไม่ได้เป็นสิ่งช่วยยกฐานะของผมขึ้นมาได้เลยเมื่อเทียบกับเธอคุณก็เลยเก็บเอาเรื่องชนิดนี้สะสมหมักหมมอยู่ในจิตใต้สำนึกปวดร้าวทรมานใจตัวเองมาตลอดเวลาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ใช่ไหมใช่ครับผมคิดหนะักผมวาดหวั่นไปสารพัดชนิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ กระพินตอบเหมือนถูกสะกดแล้วก็ถูกสะกดจิตจริงๆเพราะในน้ำเกลือที่กำลังเดินเข้าเส้นเลือดเขาอยู่ในขณะ น, นี้ CIA สาวสวยในฐานะของแพทย์ประจำตัวแอบเอาตัวยาบางชนิดผสมเข้าไปด้วยอืมมันก็น่าเห็นใจนะคุณแต่ฉันว่าคุณไม่น่าจะกลับรุ่งหรือคิดอะไรมากนะก็ก็ถต่เธอรักคุณแค่อย่างเดียว อะไรๆมันก็มาเป็นอุปสรรคขัดขวางไม่ได้แล้วเมื่อคุณกลับไปแล้วฉันก็เชื่อว่าเธอคงยังรอคอยคุณอยู่คงไม่เปลี่ยนใจง่ายๆนะรอกใช่ไหมขอบคุณครับที่ให้กำลังใจผมก็ภาวนาไว้อย่างนั้นแหะครับอ่ะทีนี้ก็ขอทราบ ป, ประวัติในด้านเซ็กของคุณหน่อยถ้าคุณพอจะให้คำตอบได้ ก็ลองถามมาสิครับอยากทราบว่าคุณไต้ด้านหรือมีแนวโน้มหรือเปล่าก็ปกติธรรมดานะครับเหมือนผู้ชายทั่วไปอ่ะแหละใช่สินะบางครั้งก็รุนแรงซะด้วยเบนพูดหน้าตาเฉยเพราะตัวเองเคยทดลองเข้าก่อนนะ้วทีนี้ฉันอยากรู้ว่าคุณมีทางผ่อนคลายยังไง สำหรับผมไม่จำเป็นนะครับทนไม่ไหวจริงๆผมก็เคยฝันเปียกครับอดีตย้อนหลังไปอีกก่อนที่คุณจะพบและรักเธอผู้นี้คุณเคยยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงบ่อยไหมก็เคยครับแต่ไม่บ่อยนะักในวัยรุ่นในต่างประเทศที่ยังเรียนอยู่ผมโลดโผนมากในเรื่องนี้แต่เมื่อนุ่มใหญ่ขึ้น ผมก็พยายามดิบเลี่ยมเพราะผมเองก็ยังไม่อยากแต่งงานกับใครหรือถูกผู้หญิงคนไหนลอกตัวไว้มันเกี่ยวกับอาชีพอันไม่น่าพิสมัยของผมนะครับคุณเคยยุ่งกับผู้หญิงพื้นบ้านหรือหญิงชาวป่าชาวเขาที่เขาเลื่อมใสนิยมชมชื่นคุณบ้างไหมประเภทปล่อยอารมณ์เฉพาะปลดปลื้ออง่ะไม่เคยครับเพราะมันจะเสียความเคารพนับถือไป จากน้องน้ำแห้งตลอดทั่วแนวป่าผมเปรียบเหมือนพ่อของพวกเขาทุกคนและมาสเตอร์เบชันก็ถ้าโดยจงใจนะไม่เคยครับเบชิตี้ผมถือว่าเป็นคนมีใจเป็นมนุษย์จึงเสพกระสับไม่ได้ทั้งทั้งที่บางครั้งก็เคยคิดอยากจะทดลองเหมือนกัน ในสัตว์เพศเมียบางชนิดที่มีลักษณะอวัยวะเพศใกล้เคียงกับของมนุษย์ผู้หญิงคุณเคยถูกผู้หญิงคมขืนบ้่งไหมระพินหล่อนวางหน้าเฉยถามแต่ในตายิ้มระพินเพิ่งจะยิ้มบางๆออกมาได้เป็นครั้งแรก what a silification คุณเล่นงานผมมาก่อนแล้วนี่เบล้วกก่อนหน้าใชะละ่ล่ะคราวนี้หล่อนชวนคุยไปในเรื่องสนุกเพื่อผ่อนคลายประสาทเขาไม่รู้สิอาจเคยมีหรืออาจจะไม่เคยผมจำไม่ได้คุณเคยเกลียดเพศตรงข้ามบ้างไหมก็บางที เอาให้แน่ชัดสิเคยหรือไม่เคยเคยก็อย่างเช่นฉันหรือคริสเป็นต้นใช่ไหมตรงนี้ขอปฏิเสธว่าผมไม่เคยมีความคิดเช่นนั้นกับคุณหรือคริสล่ะถ้างั้นอธิบายสักนิดได้ไหมถ้าอธิบายได้เอาสั้นๆแล้วกันนะ แต่ก่อนผมไม่เคยเกลียดหรือมองผู้หญิงคนไหนในแง่ลบหรอกแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งผมเคยถูกหักหลังจากผู้หญิงในเรื่องนี้ตอนนั้นผมเกลียดผู้หญิงทุกคนไปนานจนกระทั่งมาพบคนที่รักษาแผลหัวใจของผมสำเร็จคือเธอผู้นั้น I อซ e แล้วตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างถามถึงภาวะทางกายละก็อ่อนเพลียนะครับ เหนื่อววยเราโหยหมดแรงยังไม่เคยเป็นมาก่อนงงงง่วงง่ว ง, ง, งแต่คิดว่าคงไม่หลับสนิทนี่คุณยังไม่ได้บอกผมเลยนะเบลว่าผมเป็นอะไรในฐานะที่เป็นคุณหมอแล้วก็ตรวจอาการผมแล้วอะเบนยิ้มจับแก้มเขาบีบเบาๆแล้วลูบไปที่คางอันสากไปด้วยคราวเขียวไม่เป็นอะไรมากนักรอกระพิน เลือกวงกังวลอะไรทั้งหมดเถอะทำใจให้สบายแล้วก็นอนพักบางทีพรุ่งนี้อาจจะหายคุณเป็นโรคที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าโรคคิดถึงบ้านโรครักคนเร า, เาลงใจมันไม่เป็นสุขซะอย่างเดียวระผินอาการอะไรต่อมีอะไรมันก็ติดตามมาสารพัดอย่างละคุณนี่เบร์อย่าพยายามกลบเกลื่อน อย่าพูดกับผมอย่างที่คุณคิดว่าคุณเป็นหมอส่วนผมเป็นคนด้อยพัฒนาสิบอกผมตามตรงดีกว่าคุณผมไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนอาการแบบนี้มันเป็นอาการของอะไรขอให้ผมได้รู้ตัวเองไว้บ้างฮอะฮฉันจะบอกกับคุณว่ายังไงดีอะพินจะเรียกว่า heart attack มันก็รุนแรงเกินไปแล้วมันก็ยังไม่ถึงขนาดหรอก ภาษาแพทย์บางคามันก็เป็นเทคนิคเกิเทอมคุณไม่ได้เรียนมาทางนี้คุณฟังแล้วก็ไม่เข้าใจหรอกก็คงต้องถามอีกแล้วว่ามันหมายถึงอะไรอธิบายอย่างชนิดที่หมอจะพึงอธิบายให้คนทั่วๆไปฟังรู้เรื่องได้ง่ายแล้วกันนะคือหัวใจคุณตอนนี้ทำงานไม่สู้จะดีนะเส้นเลือดมันตีบชั่วขณะเลือดไม่พอจะไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆโดยเฉพาะบนสมองทาให้เป็นลมหมดสติ บางทีก็มีอาการทุรนทุรายเรื่องเล็กอะคุณบอกแล้วยังไงทำใจให้หมดกังวลแค่อย่างเดียวมันก็หายไปเองไม่หนักหนาอะไรหรอกอนอนพักเถอะฉันจะไปก่อนนะขอบใจมากที่ยอมร่วมมือให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณเองจะได้รักษาง่ายขึ้นถ้าตื่นลืมตาขึ้นมาเห็นพวกเราคนใดคนนึงอยู่ใกล้คุณแล้วก็ให้รู้ไว้ด้วย ให้เขามาดูแลคุณโดยการผลักเปลี่ยนเวรกันเดี๋ยวเบทบเรียกเบาๆหลอนหันกลับมามองเลือกคิว้วก็ถ้าผมไม่หนักทำไมถึงจะต้องมีคนมาเปลี่ยนเวรเฝ้าดูผมอย่างที่คุณว่าแล้วก็ไอ้น้ำเกลือน่นระรับพินบุ้ยปากไปที่น้ำเกลือเบงโบกมือหัวเราะเบา พูดให้ฟังเป็นเรื่องธรรมดาถูกคุณพวกเราก็เป็นห่วงคุณทุกคนแหละก็เลยตกลงกันว่าจะมาทําหน้าที่นอนดูแลคุณอยู่ใก ล, กล้ๆโดยผลัดกันอย่างน้อยก็ควรระวังเข็ม น, น้ําเกลือหลุดยังไงส่วนเรื่องน้ำเกลือก็อย่าถือว่าเป็นเรื่องใหญ่สิคุณคนอ่อนเพลียไม่มีแรงก็ให้ได้คุณเองก็ยังไม่ได้กินอาหารหนักอะไรเลยตั้งแต่บ่ายวันเนี้น้ำเกลือจะช่วยคุณแข็งแรงเร็วขึ้นมันไม่ได้หมายความว่าถ้าให้น้ําเกลือแล้ว คุณกําลังอยู่ในการหนักใกล้จะตายหรอกคอยนอนสบายนะพบกันใหม่พรุ่งนี้เช้าหลอนทําริมฝีปากจุก๊บเหมือนจะส่งจูบมาให้แล้วพละออกมาอย่างเงียบเงียบเบลกลับมาอย่างที่พักของพักพวกทุกคนซึ่งบัดนี้กําลังคอยฟังข่าวอยู่แม้บางคนจะอยู่ในการนอนก็ตามหัวหน้าคณะดึงกายขึ้นทันทีเป็นไงบ้างเบ ท้ายไม่ผิดค่ะอาจารย์อาการสเตรทแ and s t r ตร n ในสมองมีอย่างมากที่สุดสะสมไว้นานเลยเป็นต้นเหตุแสดงริ้ขึ้นตอนนี้กำลังสลึมสลือแต่ก็ยังพอพูดรู้เรื่องแล้วก็พูดได้น่ารักกว่าทุกครั้งไม่พุ่งพลานหุนหันพลันแล่นหรือเ ย, อย่อหยิงจองของเหมือนปกติสภาพของเขาอาจารย์จะเข้าไปดูก็ได้คะ่ะแต่ถ้าเห็นเขาหลับหรือไม่มีแรงจะพูดก็อย่าไปชวนเขาพูด ตอนนี้เขายังอิดโรยเหนื่อยอ่อนอยู่มากอาการเต้นของหัวใจก็ดีขึ้นพอสมควรแต่ระวังใหญ่เขาดึงเข็มน้ำเกลือออกแล้วกันสเตลลีคว้าแขนเบลเดินห่างพักพวกกาเล็กน้อยกระซิบถามและร ว, วงความในใจออกมาได้หมดไหมก็มากพอควรละคะอาจารย์ชนิดที่ในเวลาปกติแล้วเขาจะไม่ยอมบอกความจริงอะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของเขา จะ่จำไว้นะคะจันจะพูดอะไรก็ตามก็พูดให้เขามีความสบายใจเข้าไว้อเมริกันอาวุโสพยักหน้าคว้าได้เสื้อแจ็คเก็ตหนังและไรเฟิลประจำมือเดินช้าๆตรงเข้าไปที่คนเจ็บอย่างเงียบๆในขณะที่เบลผู้หมดภาระหน้าที่ลงแล้วทอดกายลงไปนอนเคียงข้างคริสผู้มีอาการเหมือนจะหลับ เสียงนายคิดซึ่งนอนคุยกัหนุงกะหนิงกระเชิดบุษถามมาเบาๆว่าเบนเขาไม่ตายแน่นะใครจะไปรู้แพทย์โฉมประโลมโลกประจำคณะตอบมาด้วยเสียงขึ้นถ้าหากหัวใจเกิดการล้มเหลวหรือเส้นโลหิตอุดตันขึ้นกระทันหันเขาจะไม่มีโอกาสเห็นตะวันพรุ่งนี้หรอก แต่เท่าที่พูดคุยกันตะกี้นี้ฉันก็หวังว่าเขาควรจะรอดสักสห้าเอร์ซ็นะแล้วเธอบอกเขาให้เข้าใจหรือเปล่าว่าไอ้ fucking is good exercise especially for him เป็นแยกขี้วุสมบมาแปลเป็นไทยว่าหยุดอปรียาทางสัทีเลยเจ้าช้างน้ำเดี๋ยวมาซัดด้วยเ1็หกะโหลกเปิด เรื่อวุฒตามปกติแล้วถ้าไม่เกิดอะไรขึ้นป่านนี้ก็คงหัวรอก่ากักกักกักแต่ขณะ น, นี้เขาก็อยู่ในสภาพเดียวกับเบรงอเท้าถีปังกันไปที่สีข้างจนคิดขมาไปไอเวินตะไลปากเสียเดี๋ยวพัดบอกให้เบรเอาสามเหลี่ยมตบหน้าเะเลยระพินตายสักคนเดียวเองก็หลงปาตาไตห่ายอยู่นี่แหละอย่านึกว่าจะรอดคิดยิ้มแห้ง ไม่มีปากเสียงอะไรอีกนอกจากทำปากขมุบขมิบอะไรอู้อีอยู่คนเดียวลืมตาโรยๆอีกครั้งเวลาเว้นห่างกันเท่าไหร่ไม่ทราบระพินได้กลิ่นซิก้าเติจมูกแต่ก่อนนี้เคยรู้สึกหอมหวนแต่สําหรับเดี๋ยวนี้กลับรู้สึกรำคาญอึดอัดสตลีนั่งมองเขาอยู่ก่อนแล้วเงียบเงียบเหมือนพยาบาลเฝ้า่าย พอเห็นเขาลืมตาตื่นก็ยิ้มพลายชะโงกเข้ามาใกล้รับพินอามือข้างหนึ่งชี้ไปที่ซิก้าอเมริกันอาวโุโสบอกว่าคุณยังไม่ควรสูบตอนนี้แต่อีกฝ่ายกลับพูดเสียงแผ่วว่าตอนนี้ผมไม่ถูกกลิ่นของมันครับโปรดเอาออกไปให้ห่างหน่อยครับเสียงของคนเจ็บแม้จะเบาแต่ก็ฟังถนัดในความเงียบ โอ้โ อ, โอขอโทษครับขอโทษครับหัวหน้ า, นาคณะค้นหาระเบิดนิวเคลียร์ทำท่าตกใจรีบดับซิก้าลงทันทีแล้วจับไหล่เขาไว้บีบหนักน่วงกล่าวช้าๆในน้ำเสียงกันเองและเปลี่ยนไปด้วยความการุณาคุณปลอดภัยแล้วละรพินทำใจให้สบายนะแล้วก็หลับซะไม่ต้องห่วงถึงการเดินทางหรืออะไรทั้งสิ้นเราจะพักกันอยู่ที่นี่ จนกว่าจะแน่ใจว่าคุณแข็งแรงเรียบร้อยดีที่สุดซะก่อนอ๋อผมมีความคิดใหม่ที่จะบอกให้คุณทราบด้วยอยากฟังไหมสีหน้าและสายตาของระพินแสดงคำถามหวหน้าคณะหัวเราะเบาๆอืมคือผมตัดสินใจอย่างนี้นะระพินถ้าคุณหายดีแล้วนี่เราก็จะออกเดินทางต่อ แต่จะตั้งกําหนดเวลาไว้แค่สามสิบวันหรืออีกหนึ่งเดือนเท่านั้นแหละถ้าเรายังไม่ได้ร่องรอยอะไรเกี่ยวกับบีห้าสิบสองลำนั้นพวกเราก็จะกลับกันละเวลประหลาดใจผ่านไปในดวงตาแห้งผากของจอมพรานผู้นอนสมอยู่ทําไมล่ะครับดรก็อีกหนึ่งเดือนถ้าเรายังไม่ได้ค้าวเงื่อนอะไรเลยมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรอีกแล้วนี่ ผมและคณะของผมก็มีความเห็นตรงกันแบบนี้เราก็อยากกลับบ้านเหมือนกันแล้วหน่วยเหนือของคุณล่ะเขาจะว่าไงสแตน ล, ลียังยิ้มพรายอยู่เช่นนั้นสันสีรับช้าๆเราก็ทําดีที่สุดแล้วนี่คุณเมื่อมันไม่สําเร็จก็ช่วยไม่ได้นี่จริงไหมคาสั่งของเขาคือพยายามแต่ไม่ได้สั่งนี้ว่าทหาไม่พบไม่ต้องกลับ เพราะมันไร้เหตุผลผมเสียใจครับด็อกเตอร์ถ้าการเจ็บป่วยของผมทําให้พวกคุณต้องเปลี่ยนใจระพินพูดอย่างใจลอยนี่ระพินผมขอรับรองว่ามันไม่เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยหรือไม่เจ็บป่วยของคุณหรอกความจริงอะผมมีความตั้งใจอย่างนี้มาก่อนแล้วเพียงแต่ยังไม่ได้บอกให้คุณทราบเท่านั้นแหละ เราค้นหากันจนสุดความสามารถแล้วแต่ยังไม่สําเร็จผลจําเป็นด้วยเหรอที่เราจะต้องเดินหากันจนตลอดชีวิตคุณไม่ต้องกังวลเรื่องค่า จ, จ้างหรอกเราไม่อยู่ในฐานะที่จะเรียกคืนหรือหักคุณแม้แต่ดอนเดียวขอบคุณครับแต่ถ้าผมไม่ยอมกลับละ่ะด็อกเตอร์นั่นคือนิสัยที่แท้ จ, จริงของรพินไพร์วันคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไม่กลับ ระพินถ้าเราสั่งให้คุณเดินทางกลับเข้าใจไหมระพินนิ่งไปขณะหนึ่งข้าวหน้าอีกโรยหมองคล้ำนั้นสแตนลีย์อ่านความรู้สึกภายในไม่ถูกด็อกเตอร์ครับผมรับทำงานให้ใครแล้วไม่ต้องการทิ้งก่อนที่จะสำเร็จผลครับเว้นแต่จะตายซะก่อนเท่านั้น รภพินข้อนี้ผมเข้าใจดีคุณแล้วพวกเราทุกคนก็เข้าใจคุณดีเช่นกันแต่ถ้ามันเกินความสามารถธุระอะไรจะต้องเอาชีวิตไปทิ้งล่ะคุณผมไม่ได้หมายถึงคุณหรอกแต่หมายถึงความรู้สึกของพวกเราที่มานี่ทุกคนทุกอย่างจะต้องวางรากฐานอยู่บนเหตุผลแล้วก็ความเป็นจริงนะคุณแทนที่จะเห็นวีแววของความยินดีปรีดา หัวหน้าคณะกลับมองไม่เห็นอะไรเช่นเคยบนใบหน้าเย็นกระด้างของมัคคุเทศน์นำทางหรือถ้าจะเห็นก็เห็นแววตาเศร้าหมองลึกกลงในดวงตาโรยคู่นั้นขอบตาเขียวจนดูคล้ำแล้วก็ได้แต่ฟังไม่ได้แสดงความเห็นอะไรอีกระพินมีอะไรที่คุณอยากจะพูดกับผมบ้างไหมด้วยอยากจะนอน ระพินสันศีสันยังปราศจากความหมายแต่ตายังเปิดอยู่เว้นระยะไปครู่ใหญ่เมื่อเห็นคนโป่ยยังไม่เอ่ยอะไรและยังไม่หลับตาลงสเตลีก็กล่าวด้วยน้ำเสียงแจ่มใสร่าเริงมาอีกว่านี่ระพินคุณคงไม่รู้หรอกว่าพวกเราสี่ห้าคนที่มากับคุณนี่ก็มีความคิดถึงบ้านเหมือนกัน อยากจะหันหลังกลับกันแค่ไหนแล้วทุกคนก็รักตัวกลัวตายด้วยกันทั้งนั้นแหละคุณนั่นเป็นคําพูดที่ชลาที่สุดของหัวหน้าหน่วย CIA ชุดนี้อันไม่ทําให้คนป่วยที่กําลังสลึมสลืออยู่เพราะเลือดลมยังเดินไม่ปกตินักไม่สามารถจะไหวทันเลยว่านั่นคือการบําบัดเยียวยากันด้วยหลักของจิตตเวชวิทยาอากลัวตายแล้วมากันทําไมล่ะครับ เขาถามออกไปอย่างซื่อ อ, อ้าวคุณไม่ลองดูก่อนก็ไม่รู้สิอีกครั้งแรกเราก็นึกว่าการเดินป่ากับคุณมันจะเป็นของง่ายจะกลับพบว่ามันสาหัสสากันเหลือเกินทั้งคิดเชิดฟุตเบร์แล้วก็คริสย่ำแย่กันหมดทุกคนยิ่งการติดต่อทางวิทยุกับสถานีลอยของเราไม่เป็นผลเราก็ยิ่งท้อแท้หมดหวังเพราะไม่รู้จะยึดหลักอะไรเป็นที่พึ่ง ในกรณีที่ความคับขันขีดสุดมาถึงจริงๆอย่าเพิ่อหมดหวังครับด็อเตอร์พรุ่งนี้หรือมะรืนพวกคุณอาจจะได้สัญญาณติดต่อจากขอควบคุมก็ได้ครับคนป่วยกลับเป็นฝ่ายปลอบใจมาพร้อมกับฝืนยิ้มโรยๆแล้วคุณก็ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกถ้าผมตายช่วยเพียงแค่ฝังผมเท่านั้นแหละแล้วคนของผมนำทางกลับ รับรองว่าพวกนี้พาคุณกลับได้สบายแล้วครับนี่ละพีนผมไม่เชื่อหรอกว่าคุณจะตายในเส้นทางนี้แต่พวกเราคนใดคนหนึ่งหรือทั้งหมดอาจตายได้ทั้งหมดลหละสำหรับอาการที่จะเกิดพิการขึ้นชั่วขณะ น, นี้ทั้งเบนและคริสเ ก, ก็ยืนยันกับผมแล้วว่าไม่มีอะไรมากพรุ่งนี้คุณก็อาจจะเดินตัวปลิวพวกเราเดินตามไม่ทันอีกเหมือนเหมือนเคยแหละ และดอกเตอร์สแตลลี่ก็หัวเราะอย่างขันขันเขยา่า อ, อกเขาเล่นเออนน่คุณถามจริงเอะในชีวิตผจญภัยของคุณมาตลอดเนี่ยคุณเคยกลัวตายบ้างไหมด็อกเตอร์ครับทุกคนก็กลัวตายทั้งนั้นแหละระพินพูดเสียงแห้งผมไม่ได้ผจญภัยเพื่อหารสชาติอะไรในชีวิตแต่เพื่อดำรงชีพ ตลอดเวลาก็ไม่เคยประมาทผมคิดเสมอว่าไม่ช้าก็เร็วผมคงต้องตายแล้วก็ตายในป่านี่แหละแต่ยังไม่เคยมีครั้งไหนในชีวิตที่ตนเองคิดว่าน่าจะตายได้ง่ายๆเหมือนเช่นที่เกิดขึ้นในวันนี้เพราะผมไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนมันดูเหมือนเป็นสัญญาณบอกเหตุนะครับเสียงของระพินขาดหายไปพร้อมกับถอนใจเบาๆ สันหน้าไปมาอย่างรำคาญตัวเองสตาลีหัวเราะยังขบขันดังขึ้นไปอีกอาการของอเมริกันอาวุโสดูร่าเริงปรศจากแวววิตกกังวลใดๆทั้งสิ้นกล่าวพลางหัวเราะไปพลาง <c oughs> คุณไอเรื่องโรคภัยไข้เจ็บของคุณเท่าที่เห็นอยู่นี่นะมันเรื่องขี้ผงนะคุณคนเราทุกคนเกิดมามันก็ต้องเจ็บป่วยทุกคนแลว้วอาการของคุณครั้งนี้ มันก็ไม่ได้หนักอะไรสักนิดนึงมันแต่เพียงแต่ว่ามันแปลกไปจากที่คุณเคยเป็นเท่านั้นโถคุณก็อย่าไปคิดมากือจริงจังต่ออะไรนักสิไม่ตกใจมากรักยังไงครับยอมรับครับว่าผมตกใจเพราะไม่เคยมาก่อนไม่ได้ตกใจกลัวว่าตัวเองจะตายหรอกครับแต่ตกใจว่าถ้าเกิดอาการแบบนี้แล้วผมเกิดเป็นอะไรลงไปพวกคุณจะลาบาก ผมน่าจะตายที่ไหนยังไงเมื่อไหรมันได้ทั้งนั้นแหละแต่การตายของผมมันจะทำให้ฝ่ายคุณสูญเสียหลายอย่างครับนี่รับพินไรสารานะ่ะคุณโอ๊ยพรุ่งนี้คุณก็หายเชื่อเหะอยามัวห่วงโน่นห่วงนี่อยู่เลยนี่ว่าแต่รู้สึกเหนื่อยเปล่าในขณะที่ออกเสียงพูดแบบนี้ตอนรู้สึกตัวครั้งแรกแทบไม่มีเสียงครับ แต่ตอนนี้ค่อยอยังชั่วขึ้นแล้วสีหน้าของสเตนลียิ้มแย้มอยู่ตลอดเวลาและเริ่มชวนเขาคุยเรื่องสนุกสนานในชีวิตประสบการณ์ของตนเองให้ฟังเป็นเรื่องเบาเบาตลกหรือบางเรื่องก็ตลกโลนผสมอยู่ด้ยดวยทําให้คนป่วยยิ้มและคาวหน้าก็มีสีเลือดขึ้นบ้างพอได้จังหวะหัวหน้าคณะก็วกเข้าจุดหมายทันทีโดยพยายามจะใช้วิธีพูด ที่ไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกตัวเลยนี่ระพินเมื่อบ่ายนี่ตอนที่เราเดินคุยกันเล่นลงมาตามเนินก่อนจะถึงทะเลสาบบนภูเขาบนเขาลูกเนี้ยคุณเกิดอะไรขึ้นถึงกระปวดปะสะวัสสาวะขึ้นอย่างกระทันหันนะจอมพรานซึ่งกลายเป็นคนเจ็บไปแล้วหัวรอกค่อยๆ อ, ออกมาเป็นครั้งแรกเพราะสแตนลีพูดติดพันเชื่อมโยงอยู่กับเรื่องสัปปรพปดินคลาสสิก ที่เล่ามาก่อนในตอนต้นก็ด็อกเตอร์ก็คุณเล่นบรรยายให้ผมฟังจนผมเขาเว้นระยะหัวเราะอิกผมก็บอกไม่ถูกในตอนนั้นนะครับด็อกเตอร์มันเกรงไม่หมดอ่ะแม่กระเพาะปัสสาวะคุณให้ภาพพจน์กับผมจนมองเห็นหมดทุกแง่มุมอะยังจะดูวิดีโอเทปประเภท X ออย่างนั้นแหละเป็นไงน้ำ ม, มันไม อีกฝ่ายตบไหลถามยิ้มยิ้มมันมากเลยด็อกเตอร์ผมเห็นคุณมีอาการเครียดมากเหลือเกินน่ะในตอนนั้นก็เลยหาเรื่องเดรติโจกมาไล่คุณฟัง่ะมันก็ได้ผลดีฮะผมเห็นคุณเก่งไปหมดทั้งตัวเลยหมายความว่าไงครับเดรติโจกอา้าวก็เรื่องราวที่ผมเล่าคุณฟังเกี่ยวกับเบลกับคริสยังไงอะคุณ อธิบายให้กระจ่างดิครับผมยังไม่เข้าใจครับปัทโธคุณผมนั่นไม่เคยเกี่ยวข้องอะไรกับแม่สาวสวยของเราทั้งสองคนนะ่ะหรอกไม่ว่าเบลหรือคริสเน่ะแกล้งสร้างเรื่องสนุกสนุกขึ้นมาเล่าให้คุณฟังเพอตื่นเต้นนะ่ะยังไงเกิดความรู้สึกขึ้นมาไงกระพินจ้องหน้าขมวดคิ้วสเตลลี่กล่าวไปเรื่อยๆ อ, อย่างทำเป็นไม่สนใจกับถ้อยคำของตนเองนะักคุณ ความจริงอะผมไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับใครสักคนในจํานวนสองคนที่มากับเราเนี่ยผมเป็นหัวหน้างานนะคุณผู้สั่งการแกหล่อนทุกคนคืนลดตัวลงไปแบบนั้นก็เสียการปกครองหมดที่คุณก็แค่สร้างเรื่องก็คุณฟังเล่นเพลินๆไม่เท่านั้นแหละรู้แต่เพียงเบนเท่านั้นว่า ง, ง่ายสําหรับผู้ชายทุกคนตล่อนพอใจส่วนคริสต์นลึกลับมากในเรื่องนี้ผมไม่เคยรู้ประวัติในด้านเซ็กของหล่อนเลย แล้วผมก็ไม่เคยสนใจเท่าที่เห็นก็เคยเห็นหล่อนเตะคีดเข้ากลางวางขาลงไปนอนหน้าเขียวในขณะที่นายนั่นน่ะปล้ำหล่อนแบบที่เล่นที่จริงก่อนหน้าออกเดินทางมานี่แล้วก็จะฟาดซ้ําด้วยแผ่นไม้ส ก, กีดีแต่ผมเข้าไปล็อกไว้ทันก่อนที่หล่อนจะฟาดลงไปรายนี้ดูเดือดมากคุณถ้าคุณคิดจะยุ่งด้วยก็ต้องระวังตัวหน่อยแล้วกันแม่ไม่เหมือนผู้หญิงอเมริกัน ท, ทั่วไปหรอก พรานใหญ่นอนลืมตาฟังด้วยสีหน้าสงบแต่แววตาฉงนแล้วพึมพำว่าด็อกเตอร์ครับผมไม่เคยคิดจะไปลวนลามยุ่งเกี่ยวอะไรกับคริสหรือเบลเลยนะครับแปลว่าเรื่องที่คุณเล่าให้ผมฟังคุณกูขึ้นเองแหละครับก็ปลูกความเป็นผู้ชายของคุณขึ้นมาง่าระพินเพื่อคุณจะพลอยนึกสนุกไปด้วย แต่ความจริงผมก็เป็นผู้ใหญ่แล้วไม่น่าจะพูดอะไรส่งเดชไรสาระนะผู้ชายเราก็อย่างนี้แหละเรื่องที่คุยกันได้สนุกที่สุดก็เห็นจะเป็นเรื่องไตสะดือใช่าหมกว่าอย่างอื่นบางทีเราก็เลยลืมคิดไปว่ามันจะทำให้ผู้หญิงที่เราพูดถึงอะ่ะมันเสียหายด้วยก็ไม่เห็นจะเสียหายอะไรนี่ครับในสังคมฟรีเซ็ก์ของพวกคุณระพินพูดเหนื่อย สตลลียิ้มคราวนี้เจริญกขากะผิดเพราะกะไว้ว่ารพินอาจจะคาดคั้นซักถามอะไรต่อไปในเรื่องนี้แต่กลับเป็นตรงข้ามมัคุเทศหนุ่มฟังด้วยาการเฉยเฉยและสงบจนดูไม่ออกและเพื่อไม่ให้รพินสงสัยว่าตนเองรับหน้าที่มาคลี่คลายทำความเข้าใจเช่ใหม่ตามที่รับปากกับคริสไว้ ก็จึงไม่พลาดพิงไปถึงเรื่องนี้อีกโดยเห็นว่าการนำความมาบอกเล่าชนิดนี้ก็เป็นการมาคุยให้ฟังอย่างไม่มีเจตนาเช่นกันแล้วรพินก็ซึมหลับหลับตื่นเตือนไปอีกสมองของเขาคิดอะไรไม่ค่อยออกในขณะนี้ด้วยริยาขมประสาทมันเป็นราตรีอันยาวนานที่สุดของรพินไพรวัน ในสภาพหลับๆตื่นตื่นอยู่เป็นระยะระยะนั้นภาวะทางกายยังคงกระปรกกระเปรียดไม่มีเรี่ยวแรงอยู่เหมือนเดิมสมองก็เลอะเลอะเลือนเลืนไม่สามารถจะกำหนดได้แน่ชัดว่าตนเองอยู่ในภาวะใดและอยู่ที่ไหนกันแน่ประเดี๋ยวก็พอจะนึกออกลำดับภาพได้ประเดี๋ยวก็เริ่มสับสนคิดไม่ออกอีกคลับคล้าคลับคาว่า นอกจากด็อกเตอร์สแปรลีแล้วก็มีคีดมานอนเ <itation> ฝ้าอยู่ใกล้ๆพยายามจะพูดอะไรกับเขาอยู่สองสามครั้งแต่เมื่อเขายังนอนซึมนิ่งอยู่โดยไม่ได้โต้ตอบอะไรใน GI ผมเกรียนนั่นก็ไม่รบกวนอะไรอีกและถัดมาก็รู้สึกว่าจะเป็นเชิดบุตรซึ่งรับเวรผลัดเปลี่ยนแต่เขาก็ไม่ได้ลืมตาขึ้นมาพูดอะไรด้วยเช่นกัน เพียงพยักหน้าแล้วก็คลางอืออือในลำคอเมื่อถูกกระสิทเรียกเท่านั้นจากนั้นก็ไม่ทราบว่าเชิดบุตรอยู่เฝ้า่ขยอีกนานเท่าไหร่ดวงจิตถูกกดลงจมลึกแม้จะแน่ใจว่าตนไม่ได้หลับสนิท ก, ก็ตามครั้นแล้วเวลาใดเวลาหนึ่งไม่ทราบได้เขาก็เห็นภาพของแงาายมันนั่งอยู่ใกล้ๆกล้ ซี่ซ้ายของแขนที่กำลังให้น้ำเกลืออยู่เจ้าอาดีตคู่ปรับเกา่าเท่าๆกับมหามิตรผู้ยิ่งใหญ่มาจริงตามที่มันได้รับคำกับเขาไว้เหมือนกันอย่างน้อยก็จริงในห้วงจินตนาการหรือการคิดเพอ้อไปของเขาการปรากฏให้เห็นโดยแผ่นภาพของดวงจิตอยู่บ่อยๆสร้างความเคยชินให้แก่รพินใชแล้ว ไม่ได้มีความตื่นเต้นประหลาดใจอะไรทั้งสิ้นแง้ท า, ายนั่งเอามือเท้าคางมองนิ่งๆมาที่เขาเป็นครูใหญ่ไหนว่าต่างคนต่างมองตากันโดยไม่เอ่ยคำใดเป็นเวลาช้านานแล้วเจ้านั่นก็ครงหัวช้าๆอ่อนแอลงไปมากนะผู้กองเรา ไม่เหมือนการเดินทางในสมัยก่อนเลยทุเรศมากไหมวะโฮหยน่าสมเพศจะมากกว่าผู้กองสุขข้าวเสาแท่จันหดอังคารสลดพุทธพินาศพระหัสขาดเกณฑ์ชะตาท่านว่ามีเคราะห์มากตกที่นั่งธรามเดินดง ซ้ำไม่มีฮมนุมานคอยช่วยเหลืออีกด้วย yeah, แย<ม>่จริงจิง<ม>นี่ฉันกำลังจะตายใช่ไหมแง่าสายก็เฉวเฉียดไปนิดเดียวเท่า น, นั้นแหละผู้กองถ้าไม่ได้กำลังภายในจากลูกสาวพญานาะคช่วยไวย้ก็กำลังภายนอกโดยวิทยาศาสตร์การแพทย์จากแม่สองแม่นั่ น, น, น, น, น, น, น, น, นดูผู้กองเ<ไ>ป็นยางนี้นแล้ว ผู้หญิงแม้จะเป็นพิษในทางหนึ่งก็ให้คุณอีกทางหนึ่งแปลว่าถึงอยากจะตายก็ยังตายไม่ได้ใช่ไหมแง้ทายโคลงหัวอีกครั้งโอ้ชดใช้กรรมไปก่อนผู้กองไอ้ที่ก่อไว้ทั้งในชาตินี้แล้วก็ชาติก่อนก่อนมันยังไม่หมดแล้วคิดเหรอว่าถ้าตายจะได้ จะหนีพน้นทุกเวทนาไปได้ไฟบาปน่ะมันตามเผาผานทรมานสัมสักได้ทั้งยังมีชีวิตอยู่และทั้งตายแล้วชนิดไม่มีวันหนีพ้นหรอกกรรมภาระของผุกกองน่ะมันยังไม่หมดสิ้นทนไปทนหน่อยพี่ชายเราทนายจ้างอเมริกันพวกนั้น เขารู้ว่าพวกกองหนีตายไปซะก่อนด้วยเจตนาของตนเองเขาก็จะประนามว่าพวกกองไอ้ขี้ขลาดที่สุดโดยการหลีกลีหนีหน้าที่อย่างคนอ่อนแอให้แพ้อง่ายๆรวมทั้งโก้เขาด้วยนะพวกกองนะคำพูดของแง่ทรายทำให้ระพินเริ่มมีสเต็กคิดเออถ้างั้นฉันจะยังไม่ยอมตาย นั่นเป็นความคิดที่ถูกต้องที่สูดสู้สิผู้กองสู้ก็วิบากกรรมต่อไปอย่างลูกผู้ชายชื่อไอ้แผนเอ๊ยไม่ใช่ชื่อราพินน่ะขอบใจมากที่แกมาเตือนสติฉันพรุ่งนี้ฉันจะต้องหายป่วยให้ได้แล้วจะเดินทางต่ออดีตคู่ปรับคู่คิดของเขาโบกมือ ยังยังก่อนอยังไม่เก่งได้ถึงขนาดนั้นนะผู้กองอยังน้อยนะผู้กองต้องนอนเติมน้ำมันยังลุงคำว่านะแบบนี้ไปอีกวันเต็มเต็มแล้วถ้าคิดจะสู้ต่อไปอย่างสมศักดิ์ศรีของพรานระพินก็จงทำตามที่ผมบอกแลวปากที่ว่าจะทำได้ไหมฉันต้องทำไงมั่งอะ เอางี้นะผูก้กองข้อที่หนึ่งสำคัญที่สุดทำใจเข้มแข็งสลัดนายหญิงออกไปจากความคิดชั่วขนาดนึงก่อนเพราะนั่นน่ะเป็นสิ่งบันทอนทุกขทรมานทั้งใจขีดสุดเจระเงี้ยทายแกฉันลืมนายหญิงของแกน่ะเหรอไม่มีวันน่ะระพินตอบอย่างเด็กเดียว ผู้กองฟังผมไม่จบสักก่อนสิผมนั่นไม่ได้บอกให้ผู้กองลืมนายหญิงแต่ขอร้องให้เก็บถนอมเธอไว้ในหัวใจส่วนลึกที่สุดสักก่อนอันนี้อะไรนั่งคิดเดินคิดกินคิดหลับคิดตื่นคิดคิดอยู่ทุกลมหายใจเข้าออก มันก็บันทอนผู้กองให้ดวงจิตอ่อนแอลงไปทุกขณะเชื่อผมเถอะว่าเป็นคู่สร้างกันแล้วก็ไม่มีวันจะแคล้วคลาดกันไปได้หรอกผู้กองตอนนี้เรามีภาระหน้าที่เราก็มุ่งในหน้าที่ของเราก่อนนึกจะทำอะไรก็ทำไปเถอะผู้กองอย่าไปมัวหมกมุ่นอยู่เลยเลเลผมไม่ขัดคอผู้กองอีกแล้วละ่ะเอเ อ, เ อ, เ อ, เอแกก็มาแปลกนี่คราวนี้ ไม่จะมายุยงอะไรชันอีกเนี่ยไม่ได้ยุยงอะไรหรอกทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวผู้กองเองใช้ปัญญาใครควรเองก็แล้วกันผู้กองผมจะไม่ขยายความอะไรทั้งสิ้นรู้จักทิ้มรู้จักหัวเราะทําใจสบายสบายได้มั้งดินี่อะไรปั้นหน้าเป็นหินบอหลุนฝังศพนั่นแหละ จะตลอมใจตายไปซะด้วยความเขารักก่อนหรือว่าจะประคับประคองชีวิตไว้ให้รอดเพื่อจะได้พบรักที่ปรารถนาเลือกเองเอาล่ะฉันจะพยายามเชื่อแกแล้วมีอะไรอีกไหมมีดิก็สองอย่าดื้อดึงแต่จงยอมเอาไว้พวกนั้นรักษาเยียวยาโดยไม่ขัดขืนต่อต้าน ขณะเดียวกันก็อย่าลืมสิ่งลี้ลับเหนือโลกภูมิศาสตร์ที่เป็นอีกกำลังหนึ่งอันจะช่วยฟุกกองได้นอกเหนือจากเวทมนต์คาถาที่ร่ำเรียนมาจะต้องภาวนาท่องบนอยู่เป็นประจำนั่นก็คือลูกสาวคนสวยของนักฆราฟุกองรายนั้นนะเขาเอ็นดูฟุกองมากนจะเป็นกำลังสำคัญช่วยได้อยาหยาดจัเดี่ว อ่อนน้อมคารวะว้แต่อย่าล้นงตัวไปเกี่ยวเขาละแม่เกิดสนีห์หาขึ้นเมื่อรไหร่จะยุ่งช่ว่าแม่แมมแดงแม่แมปทองันเป็นนางมนุษย์ด้วยกันดีไอระเบิดนิ้วเคลียร์กองเดินแสวงหาอยู่บแเนกาตันเน่โอ้ยยังริดน้อยกว่านางหน้าเทวีองค์นี้ขณะนี้ก็ไม่ได้ไปไหนบนเวียนคอยเฝ้าดูกองอยู่ในละแวกไกล รู้สึกก็จะมันไสกำเม็นหน้าผมก็ให้ไปแล้วแล้วสิแต่อราหันโกทันยาขู่ผมอยู่ตลอดเวลาสีของผมก็เหนือบกบอเธอเลยทำอะไรก็ไม่ได้รับพิมเริ่มรู้สึกแช่มชื่นและมีกำลังใจดีขึ้นโดยทันทีนี่เป็นครั้งแรกที่แกมาให้สติชี้แนวทางที่ดีกับฉันนะแง่ทาย ผิดกว่าทุกครั้งที่จะมาบีบขั้นความรู้สึกให้ทรมานหนักปกว่าเดิมรวมทั้งคอยย่อโทรศัพท์ใบหน้านั้นยิ้มอย่างปลุกปลอบใจใกผู้กองถ้าผู้กองไม่รู้ตัวก็โปรดรู้ไว้เสด้วยว่าคราวนี้นะันหนักมากนะพวกนายจ้างนะเขาปีดเขาไม่บอกผู้กองหรอกแล้วเขาก็เตรียมรับมืออาการของผู้กองเต็มที่ รู้บ่าวเมื่อหัวค่ำนี่ผ่านมานะเข้าขั้นโคม่าแล้วพรุ่งนี้ถึงยังไงก็ยังเดินทางไม่ได้หรอกผู้กองอย่าดิ้นรนตะเกียกตะกายเลยไงไงก็ยอมรับสภาพซะโดยดีเหอะผมก็มาบอกผู้กองเท่านี้แหละไปละแล้วอย่างง่ายง่ายร่างสูงระงานเป็นเงาตะคุ่มนั้นก็ยืนขึ้นแล้วเดินลับหายไปในหมู่โขดหินทางด้านปลายเท้าเขา มือแผ่วอ่อนโยนมือหนึ่งลูบเสยช้าๆอยู่ที่เส้นผมของเขาระพินคอแห้งผากพึมพำรบร อ, อกมาว่าน้ำทั้งทั้งที่ยังลืมตามไม่ขึ้นรู้สึกว่าต้นคอของเขาถูกประคองให้สูงขึ้นพร้อมกับเสียงกระซิบอาปากนะคุณมิยาที่คุณจะต้องกินพร้อมๆกันน้ำด้วย เขายอมอ้าปากโดยดียาเม็ดเล็กๆสองเม็ดต่างขนาดกันถูกย่อนลงไปบนลิ้นเขาต่อมาก็มีหลอดดูดเล็กๆแตะริมฝีปากพร้อมคำสั่งแผ่วเบาเช่นเดิมดูดจากหลอดนี่แล้วกลืนเข้าไปคนป่วยปฏิบัติตามคำสั่งรู้สึกในทันทีว่าของเหลวที่ผ่านลำคอมีรสหวานอมเปรี้ยวนิดๆมันพาเอายาเม็ดที่วางอยู่บนลิ้น ผ่านลำคอเข้าไปด้วยช่วยให้เกิดความชุ่มชื่นและลดการกระหายน้ำเพียงแค่สองสามอึกที่ดื่มเข้าไปราวกับปลิดทิ้งแล้วเขาก็ดูจักหลอดจนหมดพร้อมกระถอนใจเฮือกมือที่ประคองช้อนต้นคอนั้นค่อยๆผ่ อ, อ, อนลงให้สีสัะหนุนบนผ้านุ่มที่ทบหลายชั้นไว้สูงขนาดหมอนตามเดิมใคร ระพินพึนรรมพำถามเบร์ <Beer. S 1> เสียงบอกนั้นจ่อที่ริมหูเขาจอมพรานสันหน้าผมจำเสียงคุณได้คริสเสียงเขาชัดเจนขึ้นแม้จะยังแ ผ, ลผล่วโผยนอนชะ้ะแล้วไม่ต้องพูดอะไรอีกหรอกคุณทำไมผมมองไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยคริส จะเห็นได้ยังไงล่ะคุณแล้วเมื่อ ต, ตาคุณหลับแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องลืมตาขึ้นมาหรอกฉันรู้ว่าคุณยังลืมตาไม่ขึ้นพักได้มากเท่าไหร่อาการของคุณก็จะดีขึ้นเท่านั้นแหละคุณครสขเขาพึมพำเรียกอีกแทนคำตอบหล่อนกุมข้อมือที่วางอยู่บนอกของเขาไวา้บีบเบา กูนี่ยาอะไรผมอะเมื่อกี้ยาขยายหลอดเลือดกับให้พักหลับประงับความฟุ้งซ่านไงแต่ผมรู้สึกว่าผมดีขึ้นมากแล้วละ่ะระพินพูดเหมือนคนตกอยู่ในภวังไม่ร้อนไม่หนาวนอนสบายนั่นอะเป็นสิ่งที่ดีมากละระพิน พระเจ้าประธานพระหัตถ์อันเมตตามาให้กับคุณแล้วหิวไหมไม่อยากหลับใช่ไหมเข้ายักหน้าก็หลับซะสิหลับแล้วก็ฝันดีแล้วก็อย่าเพ้อตะโกนเรียกแงา้ายอย่างตะกี้อีกนะคุณใครๆก็จะตกใจกันไปหมดผม ผมตะโกนเรียกชื่อนั้นเหรอก็ใช่สิทุกครั้งที่คุณไม่สบายคุณมักจะเรียกหานามนี้อยู่เสมอทั้งๆที่คุณควรจะเรียกนามของยอดรักของคุณนะเรียงฝีปากแห้งแตกเป็นเกล็ดนั้นยิ้มเซียวเซียวผมฝันเห็นเขาบ่อยครั้งนะคริสเขามาหาผมในฝันเสมอ แต่ยอดรักของผมน้อยครั้งมากที่จะได้เห็นเธอในฝันเธอคงไม่ได้คิดถึงผมเลยละ่ะนี่คุณถึงเธอจะคิดสักเพียงไหนห่วงคุณเพียงไรคุณก็ไม่มีโอกาสรู้ได้หรอกอยังงั้นเหรอหางเสียงของเขาเริ่มเป็นสุขขึ้น จริงสินะแม่เธอจะคิดถึงผมหรือปวดร้าวทรมานใจในการจากมาของผมเพียงไรผมก็ไม่มีโอกาสรู้ได้หรอกไม่ต้องห่วงหรอกกระพินคุณจะได้กลับไปพบเธออย่างแน่นอนขอบคุณคริสขอบคุณมากๆคุณดีกับผมมาก แล้วทุกๆคนก็ดีกับผมทั้งนั้นระพินไม่มีใครคิดร้ายกับคุณหรอกทุกคนเป็นมิตรกับคุณทั้งนั้นน่นะการเวลามันจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าคุณน่ะคิดมากเกินไปเลยทำให้ไม่สบายระพินกระเดือกน้าลายลงคอไม่เคยมีครั้งใดในชีวิตที่เขาจะอยู่ในภาวะสิ้นท่าเหมือนเช่นครั้งนี้ สภาพของเขาในยามนี้คือคนป่วยอย่างแท้จริงชนิดที่ถ้าอยู่ในถิ่งเจริญก็ต้องเข้าโรงพยาบาลไปแล้วคริสผมอยากรู้ว่าตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วอ้าวก็คุณดูดาวเก่งไม่ใช่เหรอเมื่อเห็นเขานิ่งก็มีเสียงบอกต่อมาว่ากสีนาฬิกาสามสิบนาทีแล้วล่ะคุณ ใกล้สว่างแล้วแต่คุณก็ยังต้องพักไปเรื่อยๆนะแล้วน้ำเกลือเนี่ยระพินยกแขนข้างนั้นขึ้นแต่ถูกจับกดไว้เบาๆน้ำเกลือแล้วทำไมอะ่ะผมลำคาญนะเมื่อไหร่มันจะหมดสักทีทนหน่อยสิคุณ รลยยีงไม่ถึงร้อยสี่สี่เท่านั้นหมดไปแล้วสี่ในห้านะคุณตอนนี้ทุกคนเป็นไงบ้างคริสดูเถอะยังไม่วายเป็นห่วงถึงคนอื่นอีกคุณทุกคนก็สบายดีกันทั้งนั้นแหละก็มีคุณคนเดียวเนี่ยที่น่าห่วงกว่าใครนี่อย่าไปคิดถึงใครอื่นเลยคุณคิดถึงตัวเองก่อนนะกัน เมื่อกี้รู้สึกว่าจะมีคีตกระเชิดพุธมาอยู่ใกล้ผมนะนี่เขาไปไหนกันหมดแล้วล่ะพวกเราทุกคน่ะเะาวณดูแลคุณคนละสองชั่วโมงคีตกระเชิดพุธนะ่ะเขาหมดหน้าที่ไปแล้วตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของผู้หญิงคนหนึ่งที่คุณทั้งเกลียดทั้งกลัวแต่ก็ไม่ต้องกลัวฉันหรอกฉันไม่มีพิษมีภัยอะไรกับคุณในทุกด้านอะขอให้วางใจเหอะ ไม่มีอะไรที่จะเป็นพิษเป็นภัยกับผมได้หรอกนอกจากหัวใจของผมเองคนป่วยตอบอย่างทารนงถ้ามั่นใจอย่างนั้นก็ดีให้คุณแต่ขอร้องว่าอย่าพูดอะไรอีกเลยสงบจิตนอนพักเสหลับเถอะแล้วคุณนะในฐานะเพื่อนแล้วก็ตามหน้าที่มันเป็นเวรของฉันที่จะต้องดูแลคุณอยู่ใ ก, กล้ใก จนกว่าจะสว่างคริสผมจะไม่สําแดงความอวดดีกําแหงพอที่จะบอกให้คุณกลับไปพักที่พักของคุณหรอกเพราะตอนนี้ผมก็ยอมรับในสภาพของตัวเองว่าหนักแค่ไหนแม้ว่าพวกคุณจะไม่บอกความจริงกับผมก็ตามเถอะมันเป็นเวรของคุณที่จะต้องดูแลผมตามหน้าที่ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องนั่งเฝ้านี่คุณ นอนเฝ้าก็ได้ผมสุดหนักยังไงคุณก็รู้สึกแล้วก็เห็นเองแหละคงตื่นขึ้นมาแก้ไขช่วยเหลือได้ทันอะ่ะโอเคหล่อนบอกมาง่ายๆมีเสียงการเคลื่อนไหวแผ่วเบ า, เบาข้างกายเขาทางซีกขวาแล้วก็รู้สึกว่าพยาบาลเฝ้าไข่จำเป็นทอดกายลงนอนอยู่ใก ล, กล้ๆมือที่กุมเขาไว้ปลดออกไป และไม่มีส่วนใดของหล่อนมาแตะต้องกระทบกายเขาเลยคงได้ยินแต่เสียงลมหายใจเท่านั้นทั้งๆ ท, ที่ยังหลับตาระพินทดลองเอามือกวาดแตะคลำอยู่ข้างกายซี่นั้นพบไรเฟื่ประจำมือวางเคียงอยู่ใกล้ๆแสดงว่าพวกนั้นทุกคนรู้ดีว่าแม้เขาใกล้จะตายหรือหนักเพียงไรก็จะต้องมีอาวุธคู่มืออยู่ข้างๆตัวเสมอ มิฉะนั้นเขาจะร้องเรียกหาและเมื่อเอื้อมมือคลำพ้นไรเฟินออกไป <c oughs> ก็สัมผัสกระเนื้อ ย, ยุ่นภายใต้เสื้อผ้าที่เจ้าของร่างกายสวมใส่อยู่โดยไม่ตั้งใจรู้สึกว่ามันจะเป็นบริเวณตำแหน่งกลางลำตัวที่ผู้หญิงทุกคนถือเป็นสิ่งหวงแหนลับเฉพาะระพินตกใจและก่อนที่เขาจะทันหดมือกลับ มือข้างนั้นก็ถูกขยุ้มหมับและนำกลับมาวางไว้บนสวงอกของตนเองตามเดิมเขาพึมพมขอโทษเบาที่สุดเลือดแห่งความอายซ่านขึ้นหน้าอีกฝ่ายคงเงียบกริบภายหลังจากเอามือเขาออกไปกึ่งสุภาพกึ่งแข็งแรงมั่นคงคุณ ถ้าผมจะพูดอะไรไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดเสียงหรือหลับไปเองจะได้ไหมสุภาพบุรุษไพรกล่าวเบาๆต่อมาตามปกติคุณก็เป็นคนไม่ค่อยชอบพูดอยู่แล้วนี่เพราะฉะนั้นพูดซะบ้างฉันก็หว่าดีนะฉันพร้อมที่จะรับฟังแล้วก็ยินดีที่จะได้ยินคุณพูดซะบ้างน้ำเสียงของหล่อนเรียบเย็น ร่างกายของผมอ่อนแอแต่จิตใจผมยังเข้มแข็งอยู่นะฉันว่าคุณพยายามกโกหกตัวเองและฉันก็กำลังพยายามเชื่อแล้วสำหรับคุณผมก็รู้ว่าเข้มแข็งมากไม่ว่าด้านกายหรือใจรู้มานานแล้วหรือเพิ่งมารู้คุณ เห็นครั้งแรกก็รู้แล้วล่ะคริสนี่ฟังได้สองแง่นะรพินจะฟังว่าชมเชยฉันก็ได้ฉันรู้สึกเสียใจที่บังคับให้คุณต้องแช่น้ำเย็นจัดเกินไปเมื่อตอนเย็นวันนี้มันเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คุณเกิดไม่สบายขึ้นนอกเหนือจากอาการแทรกซ้อนอย่างอื่นที่ประดังกันเข้ามาฉันทารุณกับคุณมาก ล, ลืมคิดไปถึงสุขภาพโดยทั่วทั่วไปของคุณในขณะนั้นนี่เป็นสิ่งที่ฉันเสียใจจริงๆละพินแต่ฟังให้ดีนะผลพิสูจน์ต ร, รวจสอบมันออกมาแล้วสาเหตุใหญ่มันมาจากความกดดันในสมองและจิตใจของคุณเองที่มีอยู่ก่อนแล้วแต่ก็พวกเราอีกนั่นแหละที่เป็นตัวก่อเหตุโดยไม่เจตนา ระพินฟังอย่างนิ่งสงบอากาศยามใกล้รุ่งเย็นชํำและสดยิ่งความซึมเซาง่วงเหงาเริ่มค่อยๆคืคบคลานเข้ามาครอบนำสลึมสลืออยู่ในอาการสบายเคลิ้มเคลิ้มใกล้หลับแต่ปากก็ยังพูดอุบอิบต่อไปหรือ ม, มันจะเถอะคริส ผมเองก็พยายามไม่ให้มีอะไรมากดดันทางสมองและจิตใจอีกแล้วผมคุยว่าจิตใจของผมน่ะเข้มแข็งมากแต่ความจริงมันอ่อนแอที่สุดในการเดินทางครั้งนี้อ่ะคุณคุณรู้ไหมทำไมฉันจะไม่รู้อะพิงดูแค่ววตาก็อ่านทะลุถึงหัวใจคุณละ ว, ว่าคุณนักปวดร้าวชอกช้ำแค่ไหน คุณรักผู้หญิงคนนั้นมากเท่าไรคุณก็พลอยเกลียดชังพวกเรามากขึ้นเท่านั้นฉันจะไม่สงสัยหรือกังขาสักนิดเดียวรพินในโอกาสที่ข้างโอกาสหนึ่งข้างหน้าคุณพายพวกเราตกเหวตายกันไปหมดเพราะมันมีเหตุผลที่คุณจะทำได้แต่คุณก็น่าจะรู้นะคริสแม่ผมจะชอกช้ำเจ็บปวดสักแค่ไหนก็เถอะ ถึงไงผมก็ไม่อาจทรยศต่อหน้าที่และวิชาชีพของผมได้หรอกความรักมันก็คือความรักหน้าที่ก็คือหน้าที่ผมก็ต้องแบ่งให้ได้แล้วคริสก็เพราะคุณยังแบ่งไม่ได้ไงแล้วก็แบ่งไม่ถูกอะ่ะถึงได้ล้มเจ็บหนักในครั้งนี้แต่เอาล่ะเราก็ไม่โทษหรือประนามคุณหรอก ร, รพิน ยามนี้คริสติน่าอยู่ในฐานะเพื่อนพูดคุยกับเขาเหมือนพยาบาลที่พูดเพื่อประคับประคองจิตใจของคนป่วยหล่อนพยายามระมัดระวังถ้อยคําที่สุดตามที่ได้ตกลงกันแล้วกับหมอเบลและทุกๆคนหวังเพียงประการเดียวก็คือให้คนป่วยมีความสบายใจและตัดกังวลออกไปให้มากที่สุดขณะเดียวกันหล่อนก็จะไม่สัมผัส แต่ต้องกายเขาโดยไม่จำเป็นเพียงแต่นอนเฝ้าอยู่ใกล้ๆเท่านั้นการพูดของระพินมีการเว้นช่วงระยะไม่สู้จะติดต่อกันนักประเดี๋ยก็เงียบหายไปเหมือนหลับประเดี๋ยก็ดังมาอีกล่อนสดับฟังได้ชัดเสมอเพราะตัวเองไม่หลับหากแต่นอนชันเข่าข้างนึงขึ้นมือทั้งสองกอดอก ตาลืมดูความมืดของใบไม้เบื้องบนนานๆก็ใช้ไฟฉายส่องดูถุงน้ำเกลือสักทีหนึ่งหล่อนจะใช้วิธีถ้าเขาพูดก็จะพูดด้วยถ้าเขานิ่งก็พล่อยนิ่งเพื่อเปิดโอกาสให้เขาหลับคริสืึคุณอยู่ห่างผมแค่ไหนอะตอนนี้อะ เป็นคำเพ้อใช่ ม, มากกว่าเจตนาจะพูดประมาณสองฟิตนะคุณมีไรเฟิลของคุณกั้นอยู่ด้วยคริสพรุ่งนี้ผมจะหายไหมนั่นเป็นคำถามที่ปกติธรรมดาที่สุดแต่สำหรับชายผู้นี้เป็นคำถามที่ฟังแล้วน่าสงสารที่สุด คริสติน่าหันไปมองใบหน้าซีดคล้ำซึ่งดวงตาปิดสนิทนั้นแม้ตั้งใจว่าจะไม่แตะต้องเขาถ้าไม่จำเป็นก็อดไม่ได้ที่จะเอื้อมมือไปลูบประคองใบหน้านั้นแผ่วเบาคุณต้องหายศิรพินคุณไม่เป็นอะไรหรอกสวดมนต์ขอพรจากเทพเจ้าของคุณสิขอให้ทืน ให้ท่านคืนพลังกาลังกลับมาให้คุณฉันจะเอาใจช่วยสวดภาวนาอีกคนคริสตอนนี้ผมผมสับสนผมจำอะไรไม่ค่อยได้มันเลอะเลือนไปหมดแม้แต่เวทมนต์คาถาหรืออัฐปาลีคําสวดที่เคยใช้อยู่ ในยามเผชิญหน้ากับครอบกรรมหรือภัยพิบัติต่างๆนิรพินคุณยอมรับออกมาแล้วนะว่าคุณเรียนมาทางสายเวทมนตราอาคมทั้งๆที่ในเวลาปกติคุณปฏิเสธพวกเราโดยพูดอะไรเป็นวิทยาศาสตร์หมดปฏิเสธในศาสตร์ลี้ลับมนต์มืดของทางตะวันออก ก็ดีไปอย่างที่เจ็บป่วยคืนนี้มีอะไรต่ออะไรหลายอย่างที่คุณเปิดเผยออกมา